ทีนี้พอฟังอย่างเนี้โยมจะไม่เข้าใจหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างแบบนี้ขึ้นมาก็ทดสอบแล้วทดสอบอีกกันหลยเนาะเอาตอนนี้ก็ได้โยมโยมดูอะไรต้องดูภายนอกก่อนเพราะว่ามันเป็นเป็นทําให้เข้าใจได้ถ้าดูเราอย่างเดียวเนี่ยมันเพ่งมันรู้จักแต่สิ่งเดียวเราต้องน้องให้รู้จักสิ่งที่อยู่นอกตัวเราด้วยเป็นเป็นตัวช่วยเอาเป็นว่าโยมมอง มองอะไรเดียจะไม่แย่ซ้ํากับของเก่าหรือซ<อ>้ํากับของเก่า ก, ก็ดีเพราะว่าจะได้ชํานาญนะเอาซ้ำกับของเก่าให้โยมมองไปที่ถ้าใครอยู่ในห้องก็มองไปที่เก้า e, อี้สักตัวหนึ่งก็ได้อามองไปที่เก้า e, อนะี้เนาะหรือว่าทุกคนอาจจะมีเก้าอี้อยู่แล้วมั้งมองไปที่เก้า e, อนะี้เนี่ยเพ่งก็ได้เพ่งเต็มที่เลยมองเก้าอี้อย่างเดียวนะแล้วมองไปนานๆเนี่ยอ๋อหลว ง, งพ่อต้องห้ามก่อนทําไม่ห้าม <c oughs> เดี๋ยวโ<ำ>ยมจะทํามหาให้รู้ค่ะ เออหลวงพ่อห้ามให้โยมเนี่ยมองไปที่เก้าอี้เนาะแต่ใครไม่มีเก้าอี้มองไปที่อย่างอื่นก็ได้เพ่งเต็มที่เลยสุดๆเลยแต่มีข้อห้ามว่าอย่ารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้มองสิ่งนั้นอยู่ห้ามรู้เด็ดขาดให้รู้แต่เก้าอี้แต่ห้ามรู้ตัวเองว่าไอ้ตัวเองเนี่ยนั่งมองหรือยืนมองก็แล้วแต่ห้ามรู้แล้วลองทำดูนะเนี่ยธรรมะปฏิบัติมันต้องเอาตรงนี้กันเลยอะ่ะเอาเพ่งเข้าไป แต่ห้ามรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ผู้มองมันนะห้ามรู้แล้วตรงนี้แหละคำตอบก็จะปรากฏคำคือจะได้คำตอบขึ้นมาว่าเออวาไอเพ่งขนาดเพ่งสุดๆแล้วเนาะหลวงพ่อบอกว่าอย่ารู้ตัวเองที่เป็นผู้ผู้เพ่งหรือเป็นผู้มองแต่มันดันรู้รู้ทีด้วยรู้แบบโอ้โหมันมันรู้เราเลยอะว่าเราเนี่ยเป็นผู้มองเป็นผู้เพ่ง ไอ้ร <dare> ู us, please, they they Or, And, so ้อันนั้นแหละหลวงพ่อจะบอกว่ารู้อันนั้นแหละคือยานนะเพราะตัวเราเนี่ยเป็นผู้เพ่งพอเพ่งไปเพ่งมาปั๊บมันรู้ว่าเราเนี่ยเพ่งหรือว่ามันรู้ว่าเนี่ยเรายืนเพ่งอยู่หรือรู้ว่าเราเนี่ยยืนมองอยู่มันรู้เราทั้งตัวเลยนะะรู้นั้นน่ะแหละเขาเรียกว่ายานถ้าพอเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยานนี่มันเป็นสิ่งที่มารู้เราทั้งตัวเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวเราก็คือสังขารอยู่แล้ว มันเป็นแค่ความเข้าใจผิดว่าตัวเราแต่จริงๆคือสังขารแต่ยานนั้นน่ะมันพ้นไปจากสังขารคือมันรู้เราค่ะแต่ที่สําคัญค่ะแต่ที่สําคัญอีกอันนึ่งค่ะหลวงพ่ออยากเสริมค่ะตรงที่ว่าเออ่นอกจากมันรู้เราด้วยนะคะว่าที่เราเพ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันรู้เราด้วยจําว่าเราอ่ะพยายามมองว่ามันไม่ให้เรารู้ว่าเรารู้อะค่ะมันมันรู้เราหมดเลยมันรู้หมดเลยค่ะขณะเราพยายามบอกว่า ห้ามอันนี้นะมันก็รู้ค่ะ ม, มันไม่สามารถห้ามได้อ่ะค่ <c oughs> ะเ <c oughs> นี่ยละค่ะแล้วลทีนี้จากจากนี้ไปนะ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนทุกคนเลยพอหลวงพ่อบอกว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้เรานะเขาเรียกว่ายานนะ <c oughs> แล้วพวกเราก็หายานอ่ะคะ่ะเนี่ยทุกคนเลยต่อไปจะหายานเหมือนกับว่าไอ้ตัวเราเนี่ยพยายามจะทำความเข้าใจว่าเออยานมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราหาไม่เจอหรอกเพราะว่ามันไม่ปรากฏตัวมันมีแต่ความรู้เฉย มีแต่ความรู้แต่ว่ามันไม่พ้นน่ยหลายคนเนี่ยพอรูพอเข้าใจอย่างนี้เสร็จมันก็จะหาว่าไอ้ตัวรู้เราใครว่าอยู่ไหนวะอ้ น, นี้่หาท่าไหลาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดการคิดค้นหาเพราะหาก็ไม่เจอแต่วิธีทําเพื่อให้ยานเนี่ยมันแจ้งให้มันแบบให้มันยานก็เรียกว่ามันเป็นสมมติ ว, ว่าตอนนี้นเป็นยานเล็กนะต่อไปให้มันเป็นยานใหญ่ก็พัฒนาโดยวิธีซ้อมแบบเดิมๆ ด, ดูภายนอกบ้างแล้วมันก็จะรู้ภายใน ดูภายนอกแล้วมันก็จะรู้ภายในมันรู้เองนะเรื่องเนี้ยมันมีที่สมัยที่หลวงพ่อคำเขียนปฏิบัติธรรมแล้วก็หลวงพ่อเทียนก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมสอนหลวงพ่อคำเขียนเรื่องรู้สึกตัวก็มีอยู่คราวหนึ่งนะหลวงพ่อคำเขียนก็นั่งปฏิบัติอยู่ที่กุฎนะแล้วก็คงปิดห้องอ่ะปิดประตูแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวทีนี้หลวงพ่อเทียนก็มาพอมาเสร็จเห็นประตูปิด หลวงเทียนถามล่วงหลวงพ่อคำเขียนว่าทําอะไรหลวงพ่ออาจจะไม่พูดไม่เหมือนเดซนะแต่ว่าไปในทิศทางอย่างเนี้ยคำเขียนทําอะไรโย่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าปฏิบัติทำโย่ฝึกรู้สึกตัวอ่าแล้วก็หลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกไม่เห็นแล้วทํำยังไงจึงเห็นข้างนอกด้วยล่ะหลวงพ่อคำเขียนก็บอกงั้นก็เปิดประตูหลวงพ่อ แล้วพอเปิดประตูแล้วเอ้าตอนนี้เห็นไหมหลวงพ่อกำกเตียนบอกว่าเห็นหลวงพ่อเตียนก็บอกว่าเอออย่างนี้แหละแปลว่าอะไรก็คือให้เห็นข้างนอกด้วยเห็นข้างในด้วยแล้วก็จะตรงเนี้ยจะเข้าใจไอ้ตัวที่รู้ขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ยานนี่นะมันรู้ทั้งข้างนอกและมันก็รู้ทั้งข้างในแต่ยานเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนอกและก็ไม่ได้เป็นในยานก็ได้แต่รู้นอกรู้ในเห็นไ้ยตรงเนี้จะเข้าใจเรื่องยานแล ยานคือไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็รู้ได้สิ่งที่เป็นตัวเราก็รู้ได้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจพวกความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่รู้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนียยานเนี่ยจึงไม่เป็นอะไรนะ ยานไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่รู้เราหมดเราเดินเรานั่งเราไปไหนเราออกจากวัดนี้ไปวัดนู้นยานเห็นหมดเลยเพราะยานเนี่ยมันกู้แฝดกับเราไงกู้แฝดเห็นเราตลอดถามว่ายานอยู่ที่ไหนไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่เพราะไม่ปรากฏตัวนะยานยืนไหมยานไม่ได้ยืนแต่ยานรู้ได้เมื่อตัวเรายืนยานนั่งได้ไหมยานนั่งไม่ได้แต่รู้ได้ว่าเรานั่ง เพราะฉะนั้นเราทําอะไรเนี่ยยานรู้หมดเลยนะถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยโยมก็จะง่ายในทางปฏิบัติเพราะว่าพบเส้นทางแล้วว่าการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือรู้สึกตัวแล้วอะไรที่มารู้ตัวก็คือยานนั่นแหละยานก็เป็นภาวะที่พ้นไปจากสังขารพ้นไปจากความูกแตง่งพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากความสุขคือพ้นสถานเดียวไม่เป็นอะไรเลยอ นี่หลวงพ่อชี้แผนที่ให้บอกเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้สึกตัวจึงสําคัญที่สุดใครรู้สึกตัวไม่เป็นก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆสอบถามดูว่าเออมันมันรู้สึกตัวเป็นหรือยังถ้าไม่เป็นก็มันผิดน่ะถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยคือมันเอาตัวเราเป็นผู้คือมันเอาตัวเราเป็นเป็นสติเสียเองคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูดูดูดูดูอันเนี้ยมันยังไม่ใช่่มันยังไม่ใช่สติหรอก แต่ถ้าสติคือต้องรู้เราว่าเรากำลังเพ่งอยู่ก็รู้ว่าเราเพ่งเราไม่เพ่งแล้วก็รู้ว่าเราไม่เพ่งอ่าหรือเราอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ที่ที่มันเป็นตัวเราตัวเราอะที่เข้าไปไปหลงยึดถืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ารู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละคือสติตัวจริงแต่บางทีมีหลายครั้งะที่ไม่รู้สึกตัวคือไม่รู้ตัวเช่นหลวงพ่อจะเล่าเรื่องของอเช้าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะนะ อ่าอาจจะมีคนใหม่ที่ยังไม่ได้ยินหลวงพ่อจะเล่าซ้ําเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือว่าอ่าเมื่อเช้าก็มีแม่ชีท่านหนึ่งเนาะที่อยู่ที่วัดเนี่ยท่านก็มาหาหรหลวงพ่อว่าเออช่วงนี้ก็ออกพรรษานะแม่ชีบอกว่าอยากจะไปปฏิบัติที่สํานักแห่งหนึ่งซึ่งเขาเข็งคลัดมากเข้มงวดนะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าอาจจะทําให้ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ใหม่เนี่ย ว่าเออควรไปไหมหลวงพ่อก็ให้คําแนะนําว่าเราอยู่สุขะโตเราก็ต้องฝึกสติให้รู้กายรู้ใจเราไปอยู่ที่นู่นก็ต้องฝึกรู้กายรู้ใจคือฝึกเหมือนเดิมนะไม่ไม่ไม่มีความแตกต่างเลยนะทีนี้แต่ทีนี้ที่โยมมาถามเนี่ยว่าจะไปที่นู่นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นความไม่รู้ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่า ตัวที่ไปอ่ะนะจริงๆมันคือสังขาร น, นะแต่ถ้าไม่รู้ตัวมันก็เป็นตัวคือเป็นเราเราจะไปปฏิบัติที่นู่นแต่พอผู้พอหลวงพ่อพูดบอกว่าเนี่ยไม่รู้ตัวนะปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ตัวหลวงพ่อก็บอกว่ารู้ตัวคืออย่างนี้รู้ตัวคือให้รู้ว่าไอ้ตัวที่จะไปที่นู่นอันนี้คือสังขารไม่ใช่เรา แล้วไอ้ตัวที่ตอนนี้ที่กำลังยืนยืนคุยกันอยู่นี่นะถ้ารู้ตัวก็จะรู้ว่าไอ้ตัวที่ยืนคุยนี่ก็ไม่ใช่เรามันคือสังขารนะหลวงพ่อก็พูดชัดก็บอกว่าถ้ารู้ตัวถูกต้องแบบนี้มันไม่มีเราไปหรอกและก็ไม่มีเราอยู่ก็หมายความว่าที่ไปก็ไม่ใช่เราที่อยู่ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่ไปที่มาทั้งหมดไม่ใช่เรามีแต่สังขารเท่านั้นเองแค่นี้แหละโยมตื่นรู้ขึ้นมาแบบความรู้สึกว่าแบบ บิกบานอ่ะคือเก็ดอ่ะเข้าใจอ่ะอเนี่ยเข้าใจเลยเพราะก่อนที่หลวงพ่อจะชี้แบบเนี้ยก็ไม่รู้ตัวลืมตัวไปว่าตัวคือสังขารพอหลวงพ่อชี้ปั๊บโอ้โหพลิกเลยจากจากตัวเป็นไม่มีตัวเพราะมันเปลี่ยนเป็นสังขารไปแล้วเพราะมีแต่สังขารเท่า น, นั้น<ช>นี่คือการตื่นรู้ฉับพลันในระหว่างสนทานาน<ช>เพราะนั้นพวกเราที่อยู่ในห้องเนี้ยที่หลวงพ่อชี้เนี่ยชี้ให้รู้ตัวเนี่ย บางคน ย, งยังรู้ไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่สักวันหนึ่งอาจจะหลังจากฟังจบเนาะอาจจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำหรือนั่งรถลงเรืออาจจะนึกได้ขึ้นมาว่าอ๋อที่หลวงพ่อว่ารู้ตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะนั้นก็ฟังไว้ก่อนนะเออมันมีประโยชน์ภายหน้าแน่นอนนมาสการหลวงพ่อครับสวัสดีครับน้องนุ้ยสวัสดีก็ฝึกบาทีมาฝึกกลายคร้งในห้องกันนะครับ เห็นตัวเองเป็นสังขารใช่ไหมครัหลวงพ่อหลวงพ่อเขาเวลาสนทนาเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ยหรือน้องหนุ่ยนุ้ยเนี่ยทั้งหลวงพ่อทั้งน้องหนุ่ยนุ้ยก็เป็นสังขารเหมือนกันใช่ไหมครับสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยทุกอย่างเลยเมื่อมองตัวเองเป็นสังขารได้ก็ทุกอย่างข้างหน้าเราก็เป็นสังขารใช่ไหม ถูกต้องครับค่ะพี่อำนาจค่ะเกิดคำพูดพูดไปก็หลังการหยุดนิ่งก็ยังเป็นสังขารเลยถ้ามันยังยังมีอยู่ปรากฏอยู่คก็รู้อย่างนี้แหละถูกต้องแล้วอ่แต่ที่ที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยเฉพาะตานะคะพี่อำนาจมันไม่ได้เป็นตาเนื้อที่เราเห็นนะคะ ค่ะแต่ว่ามันจะกำเน่อเข้าใจมันจะมันจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจจากต้องบอกว่ายัางไงดีคะมันเป็นมันเป็นระบบอะค่ะแล้วก็เป็นก็ร่างกายอะประกอบด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมนั่นหมายวาม่าพิภพหน้ามีดินน้ำลมไฟประกอบอยู่ในค่ะ เ, เป็นกายของเราเนี่ยค่ะเราจะขมข่าวนแไม่เห็นหน้าเห็นตากันค่ะแต่ ถ้าค่าได้นั่งสนทนากันก็สนทนาสนทนากับคุนี้สนทนากับอ่ากับผมพ่อก็เนขาจะนั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ย บ, บุคคลสองคนตรงหน้าเราเนี่ยก็ประกอบด้วยทิน้ำและไฟเชฉดเช่นเดียวกับเราใช่ใช่ค่ะสาธุค่ะพี่นุนะใช่เลยค่ะค่ะ <laughs> ถ้าเราพูดเราก็เนี่ยค่ะเป็นสังขารไปเรื่อยๆค่ ะ, คะทีนี้ที่ที่เราฝึกสติก็คือฝึกเนี่ยที่มันกําลังปรากฏอะ่ะพอพูดก็ก็รู้คือมันต้องพูดก่อนก็นได้แล้วก็รู้หรือบางทียังไม่ทันพูดทําท่าทําท่าก็รู้รเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสติเลยนะเออแล้วก็เรานั่งอยู่นสมมติว่าไม่พูดเนี่ยมันก็รู้ได้นี่ว่าไม่พูดอะใช่ไหมแล้วการรู้ว่าไม่พูดเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตาดูอ่ะ มันรู้จริงๆจะเรียกว่ารู้ด้วยสติก็ได้จะเรียกว่ายานน้อยๆก็ได้ไม่ผิดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยก็เออไม่พูดก็รู้อยู่แล้วทำท่าจะพูดขยับขยับก็รู้อยู่อย่างเงี้ยแล้วกนนารขณะที่กําลังพูดก็ก็รู้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแม่ต้องเฝ้ารู้เพื่อไม่ให้คาสายตาอย่างนั้นเครียดตายเลยก็คือมันต้องหลงบ้างรู้<อ>บ้างอ่าคแต่ว่าอาศัยความหลงนั่นแหละเป็นเครื่องรู้ว่าเออมันหลงไปแล้วก็ทําให้รู้ได้ว่าหลงเห็นไหม ไอ้ตัวหลงเองเนี่ยทําให้เกิดสติได้เหมือนกันเหมือนกับหลายครั้งในในชีวิตประจําวันเน่ยที่มันมีหลงแล้วก็รู้หลงพ่อยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเนาะอ่าคือหลงพ่อเนี่ยฝึกสติกับการเคลื่อนไหวนะคือยกมือตีอจังหวะเนี่ยฝึกแบบมากๆเลยจะเดินจะนั่งที่ไหนบางทีถ้าแบบที่ไม่เป็นที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นโอกาสที่เราจะฝึกได้อนะก็ยกมือยกมือตลอดมันยกมือจนเป็นนิสัยจนความเคยชิน ทีนี้มันมีครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อไปไปที่ร้านขายเครื่องอิเล็กโทรลักนะจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นนี่อะไรทั้อย่างหน <S <S ึงพอไปถึงร้านเสร็จเจ้าของคนขายก็ออกมาต้อนรับ<ฆ>หลวงพ่ อ, <S <S พอก็ยืนอยู่อ่ะไปยืนก็หันหน้าเข้าหากัน <S <S พอคุยเนี่ยหลวงพ่อยกมือเลยอะ่ะแล้วพอยกปั๊บอ่ะรู้เลยว่ามันเผลอนะ<ฆ>แล้วก็พอรู้เสร็จแล้วแป๊บเดียวคุยไปคุยมาเอายกมืออีกแล้วก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงนั้นก็เผลออีกเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจ แต่เข้าใจคําว่าเผลอเป็นอย่างดีแต่ไอในเผลอนั่นแหละมันทําให้รู้ก็เห็นประโยชน์ว่าอ๋อการเผลอเนี่ยเป็นเหตุให้รู้ก็เลยว่าไอ้เรื่องรู้เนี่ยมันไม่ใช่เผลอนะรู้เนี่ยไม่ใช่เผลอแต่เผลอเนี่ยทําให้รู้ตรงนี้เราต้องแยกให้ชัดเพราะขนณะใดก็ตามที่มันเผลอแล้วรู้เนี่ยแสดงว่ามีรู้แล้วแต่ถ้าเผลอแล้วไม่รู้อย่างนี้คือคือเผลอเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้เรารู้จักว่าเผลอเป็นยังไงรู้เป็นยังไง มันคนละสภาวะกันเพราะฉะนั้นปฏิบัติก็อยา่อยากลัวกับการเผลอเพราะมันเผลอเมื่อไหร่ก็ทําให้รู้ได้หลวงพ่อําเขียนยืนยันเลยบอกว่าเผลอและดีจะได้รู้โ อ, โอ้โหคำของหลวงพ่อําเขียนเนี่ยมันโดนใจมากไงท่านบอกว่าเผลอแหละดีหลจะทําให้รู้เผลอก็ให้รู้ว่าเผลอใช่่แต่ถ้ารู้เนี่ยคือถูกต้องแล้วเราไต้องไปเพ่งคือบางทีไม่ต้องเลยค่ะธรรมดา ปล่ธรรมชาติมันเป็นที่ฝึกฝนนะหลวงพ่อผมว่ามันเป็นที่สติถ้าถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็รื้รตัวได้บ่อยมันก็จะดูเองอ๋อนนี้เผลอไปแล้วแต่ถ้าเรา ไ, ไม่ได้ฝึกบอ่อยแบบเน่องผมว่าผมฝืนฝืนปลูกฝืน ก, ก, ก, ก่อนแหละแต่ในแต่แต่ฝึกต้นๆ น, นะเมื่อเมื่อเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วอืผมประกอบผมพูดเร็วกว่านี้เยอะหลวงพ่อคนที่รู้จักผมแต่ผมก็อน่วงก่อนนวงโู้หนวงเป็นเดือนเลยหลวงพ่อนะ จนจนหลังๆแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้เริ่มอะไรเงี้ยผมว่า ห, หลังๆมันก็มีบางช่วงนะเหมือนผมแบบผมผมขอสะท้อนเนาะผมแบบผมวิ่งเจริญสติผมก็จะบางทีผมก็ผิดผิดไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างผมวิอยใช้คำว่าวิ่งเจริญสติคือผมจะไปรู้สึกที่ตาบ้างที่ลมหายใจบ้างที่บ่าที่มันตึงบ้างอะไรเงี้ยอย่างเร า, าไปรู้มันก็คลายออกแล้วก็ ความคิดมาแล้วก็รู้อะไรเงี้ยเพราะมันสักพักหนึ่งผมเหมือนผมจะเหมือนไปบังคับอ่ะก็อยากจะอยากจะแบบเหมือนกับไม่อยากให้มีความคิดเข้ามาในในในหัวอะไรเงี้ยมันซึ่งผิดผิดผิดเลยสำหรับผมเพราะว่าผมเพ่งเกินไปผมก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคิดก็ปล่อยให้มันคิดแต่ให้รู้ว่าคิดพอผมพอผมเป็นอย่างนี้เนะี่ย มันทําให้การวิ่งเตือนสติของผมเนี่ยมันมันดีขึ้นเยอะเลยหลวอเพราะมันแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันมันก็คิดเดยอะบางวันก็คิดน้อยมันเหตุปัจจัยมันเกิดไม่เหมือนกันทุกวันหรอกผมก็เลยเผอก็บ่อยให้เผอให้รู้ว่าเผอแล้วกันคือปล่อยมันไปแหละแต่ให้เรารู้ว่าเราเราเผลอแล้วอย่างเงี้ยครับหลวงจะให้ผมสะท้อนนะครับ อ, อ, อ, อ่ า, อาอนนิดนะึงเพื่อให้ให้ครบกระบวนตรงนี้นะอืเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเผลอนะ อก็เป็นเหตุให้รู้ได้นะทีนี้จะทำให้เข้าใจรู้จักระหว่างเผลอกับรู้เหมือนกับว่ามันจะเป็นปัญญาไงว่าอ๋อเผลอคือไม่รู้แต่พอรู้รับก็คือหายเผลอละเป็นรู้ทีนี้เวลาฝึกสติอย่าเอาแค่เห็นว่ามันเผลอแล้วรู้แค่นี้นะอันนี้เป็นแค่สติเฉยๆนะตรงเนี้ยแค่มีสติเพราะนั้นต่อยอดในทางปัญญาเลยว่าพิจารณาเลยว่าเวลามันเผลอเนี่ยมันเผลอเองหรือเราเจตนา ถ้ารู้ว่ามันเผลอเองโดยที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทําให้มันเผลออย่างเนี้ยก็เรียกว่าต่อยอดในทางปัญญาว่านั่นความเผลอไม่ใช่เรานะแล้วเวลามันรู้ก็เหมือนกันมันรู้ของมันเองไม่ได้เจตนารู้เลยเวลาเหมือนกับที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนะยกมือพอมันเผลอปับ๊บมันรู้ปับ๊บการรู้เนี่ยหลวงพ่อไม่มีใช้พลังงานสักอย่างเดียวที่จะทําให้รู้แต่มันรู้เองนะ ตรงนี้ต้องต่อยอดในทางปัญญาว่าไอาการรู้เองก็ไม่ใช่เราเพราะมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าไม่มีตัวเราเข้าไปจัดการหรือเป็นผู้ทำให้มันรู้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็แปลว่าทั้งเผลอทั้งรู้ไม่ใช่เราตรงนี้เพราะว่าเราปฏิบัติธรรมไปาาสูงสุดคือต้องเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิว่าทุกสังขารที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่สังขารและก็เกิดและก็ดับมันไม่ใช่เราตรงนี้ต่อยอดในทางปัญญาเลย ทีนี้พอต่อยอดในทางปัญญาเรื่องเรื่องเผือกับรู้แล้วเนี่ยต่อไปเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วว่ามันเกิดเองนะแล้วเวลามันดับก็รู้ได้ว่าเอามันดับเองตรงนี้ยหมายความว่าไม่มีเราเป็นผู้ทํามันเป็นเองไอความเป็นเองเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอัตอนนัตตาอนนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเรียนรู้ทุกเรื่องเลยอะไรที่เกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เอ ง, เองตรงเนี้ยมันก็จะเดินเจริญปัญญาในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนนัตตา นี่คือการต่อยอดในทางปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติแล้วอย่าเอาแค่สติต้องเพิ่มปัญญาขึ้นมาเรียกว่าสติปัญญ า, าสาธุขรัลวพ่อสาธุค่ะสาธุค่ะน่าก<ม>็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าผมสําหรับผมเองสะท้อนในตัวผมก็ใช่ครับผมก็ไม่ได้ไปบังคับตัวผมผมก็ไม่ได้การรู้ขึ้นมาว่าเราเราเผลอไปเราก็ไม่ได้ตัวอะไร ก่อา็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะยอมอำนาจนะครผมผมผ ม, ผมอะไรเกิดขึ้นผมไปรองรับหมดเลยว่าผมผมยงแก่ไม่หายหลวงรู้เท่าทันอย่าไปกินอย่าไปรองรับอาการนั้นว่ามันก็แค่อาการแค่สังขารเกิดดับต้องไม่ต้องแจมแจ้งเลยว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหรือดับไปมันมีแต่สังขารอย่าหลงไปว่าสิ่งนั้นเป็นผมหรือเป็นของผม นี่ปัญญาสุดยอดขึ้นมาอีกนะตรงเนี้ยขาดทกครับแต่แต่พูดได้นะไม่หมายความว่าพูดได้แต่พูดด้วยเขาเรียกว่าเข้าใจอยู่เป็นสรรพานามเป็นแทนกันแต่ถ้ามันหลงจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นผมจริงๆนะเออแต่พอนึกได้ขึ้นมาอ๋อนี่หลงไปไปไปยึดถือไปรองรับแล้วว่ามันเป็นของเรามันเป็นเรามันเป็นบัญญัติภาษาผมครับผมก็ไม่รู้จะโอเคถ้าบัญญัติภาษาก็คือไม่เิลี่นอะไรแต่ว่าหลวงพ่อก็ เหมือนกับว่าส ก, กิทนะเนาะเพราะบางทีนะมันก็เข้าไปไปเป็นเราเราไปเป็นมันอนะ่ะเออหรือว่าเราไปรองรับผลที่เกิดขึ้นว่าเออเป็นเราเช่นอพูดน้อยลงเดีนน๋ยวนี้เราพูดช้าลงแต่จริงการพูดช้าเนี่ยเป็นสังขารใช่ไหมเป็นอาการแต่พอเผลอปั๊บมันไปยึดอาการนั้นว่าเป็นเราเอาแต่ถ้ารู้ทันว่ามันช้าก็คือก็เรื่องของมันไงไม่ใช่เราช้าแต่เป็นแค่กิริยาอาการที่มันเป็นเช่นนั้น อ, อย่ารู้เท่าทันเนี่ย นี่หลวงพ่อตอทางปัญญาเยอะมากเลยนั่นืงครับหลวงพ่อสาธุครับสาธุค่ะพี่เอ็มนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนพรัชค่ะครับนมาสการหลวงพ่อครับสวัสดีพี่เอ็มนาคุณหนุ่ยนุยรัติอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวดีวันก่อนหลวงพ่อพูดถึงประโยคหนึ่งผมว่าเออมันปิ๊ง คือปิงนี่อ น, นี้ไม่ไไม่ได้หมายถึงปิง๊งทำนะครับเป็นเหมือนกับเออพลิกมุมว่าว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเถือเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการผ่อนคลายนะผมจําประโยคเต็มๆไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยย้อนไปสมัยตอนบวชที่เคยเรียนหลวงพ่อไปที่ผมนั่งยกมือหลงพระเทียงยในชั่วโมงการคิดเราจะรู้สึกว่ามันท้ายๆชั่วโมงเนี่ยมันจะปวดหัวปวดหัวแบบปวดหัวมากเลยนะครับแต่พอหมดชั่วโมงมันก็ พอเลิกปฏิบัติแบบหายพอกลับมาใหม่เป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมารู้รู้ว่าคือจริงๆริงมารู้ที่หลังนะครับว่าไอตอนที่เราทําอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือการเพ่งเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนไม่รู้ตัวเองว่าเราเพ่งอยู่นะครอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์แรกที่ที่พอหลวงพ่อพูดตรง น, นั้นเราก็นึกนึกไปถึงว่าโอเคเราเคยพลาดแบบนี้มานะครับส่วนอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบทเรียนใหม่นะครับที่เรียนรู้จากประนั้น ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อหรือคนหนุย่ยนุ้ยหรือใครก็สักคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้ลองที่พูดขึ้นมาว่าให้ลองไม่รู้ซิปรากฏว่าพอเรากลับกลับด้านเหมือนกับว่าพอจากที่เราเคยทําพยายามรู้พยายามรู้พอพลิกบอกว่าให้ให้ลองที่จะไม่รู้ดูซิเนะี่ยผมก็ลองลองเลยครับเมื่อเมื่อวันเสาร์นี้ไปขี่จักรยานที่ส่วนรถไฟใช่ไหมครับตอนแรกๆเราก็ขี่แล้วก็แบบเออพยายามจับความรู้สึกที่ ที่ขาที่น่องที่มันมีความรู้สึกมันเคลื่อนไหวไปแต่ว่าพอทําอย่างนั้นเนี่ยมันมันก็รู้สึกมีน้ําหนักเพราะว่ามันรักษาได้แป๊บนึงมันก็จะหายไปแล้วเราก็รู้สึกหมุนหงดหงิดว่าไอ้ทําไมรักษาไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่พอนึกถึงตรงนี้แล้วก็เลยลองดูวอันไหนลองไม่รู้ดูซิปรากฏว่าพอพอพอเปลี่ยนหมวดเท่านั้นนะครับมันก็จะเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ามันก็จะรู้นู่นรู้นี่มาเต็มไปหมดเลยโดยที่มันเหมือนเราไม่ต้องพยายามมันก็จะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า มันเป็นความยอกย้อนของจิตหรือไงก็ไม่ทราบนะครับคือเหมือนกับว่าพอเราเจอให้คือพอเราทําไม่เยอะพอเจอเจออีกหมดหนึ่งที่เป็นไม่ทําเนี่ยมันก็เลยเออได้เห็นมุมมองใหม่ๆว่าว่าเออในความที่ไม่ต้องพยายามจริงๆสิ่งนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะเป็นแว บ, บๆนะครับก็คือสักพักหนึ่งเราก็จะเพลินไปกับทัศิลภาพคิดนู่นคิดนี่ไปแต่ว่าในโมเมนต์หนึ่งที่ ที่ได้ลองฝึกที่จะไม่รู้เนี่ยมันก็กลับมาเออตัวรู้มันก็มีมาโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามบังคับมนันนะครับก็เหมือนเหมือนที่หลวงพ่อบอกครับนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไปลองมาสั้นๆก็เลยนํามาเผื่อจะมีใครไปทดลองดูนะครับขอบพระคุณครับผลวงพ่ก็ไอตรงที่พยายามอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นตัวเราเนาะ เป็นตัวเราเขาเรียกว่าเป็นอัตตาพยายามซึ่งมันมันผิดจากความเป็นจริงไนงะแต่ทีนี้ว่าถ้าไม่พยายามตรงนั้นแหละมันก็เป็นการรู้จริงรู้เองรู้เองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีเวลาฝึกต้องต้องพลิกแพลงบ้างนะอย่าอย่าตรงไปตรงมาตามตำราที่เขาว่าตำราบอกว่าพยายามฝึกก็ลองเล่นเล่นไปลองไม่พยายามดูแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละมันจะมีการรู้เองขึ้นมา เพราะนั้นน่ยต้องมีศิละปะเนาะมีศิละปะไม่อย่างนั้นเน่ยเดินทางตามภาษาตามรายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็เป็นตัวเราทั้งนั้นหลยเออควาพิกแพงเนี่ยก็ลองดูแล้วก็จะเห็นเองนะที่เครียดก็เพราะอะไรเราก็พยายามมีตัวเราแต่ไม่รู้คือมันเต็มไปด้วยความความโลภความอยากนะอยากได้อยากมีอยากให้มีสติพวกนี้ยเป็นตัณหาหมดเลยนะแต่ถ้าไม่มีตัณหาก็คือมันรู้ซื่อๆมันรู้ของมันเองเช่น เผอแล้วรู้เองหลวงพ่อยกตัวอย่างกันเนาะมันเผลอของมันแล้วก็รู้ของมันเองอหรือว่าบางครั้งบางคราวในการสวดนมนต์ทำวัดเนี่ยพวกนี้ยบางทีมันเผลอบ่อยแล้วก็รู้เองเนี่ยเข้าใจเลยว่าอ๋อมันมันเผลอเองแล้วก็รู้เองแล้วก็ต่อด้วยปัญญาว่าทั้งเผลอทั้งรู้มันก็คือสังขาร น, นะเกิดดับอย่างเงี้ยเพื่อละความเห็นผิดก็เลยก็มันเหมือนกับชีวิตก็คื อ, อวันวันไปก็มีเนี่ยรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างแต่ก็ที่สําคัญที่สุดคือปัญญาคือเข้าใจถูกว่า ทั้งเผอทั้งรู้คือไม่ใช่เราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรามีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏแล้วหมดไปเนี่ยให้เข้าใจตรงนี้เลยที่บอกว่าผู้มีสติมีสติไม่เขาเรียกว่ามีสติเขาเรียกว่าไม่ขาดสติเลยนี่นะมันหมายความว่าอย่างนี้นะหมายความว่าไม่หลงยึดถือไม่หลงยึดถือสิ่งใดทั้งหมดทั้งสิ้นมาเป็นตัวม า, มาเป็นของตนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีสติ แต่ของเราเนี่ยที่เราฝึกไว้เนี่ยมันไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนี่มันเข้าใจว่าถ้าคือมันเข้าใจว่าต้องไม่ขาดสติเลยคือต้องรู้เช่นดูลมหายใจคือรู้ตลอดไม่ขาดเลยอันเนี้มันเป็นความเข้าใจเข้าใจผิดของผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทางแต่ผู้ที่เข้าถึงแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งคือเข้าใจว่าถ้าไม่หลงยึดถือสิ่งใดมาเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติ เห็นไหมเช่นเวลามันมันสวดมนต์ผิดผิดแบบตามที่เรารู้จักอ่ะนะก็ไม่ได้หลงยึดถือว่าเราเป็นผู้สวดมนต์ผิดทั้งๆ้ที่มันผิดไงถ้าคนไม่เข้าใจบอกว่าไหอสอนคนอื่นเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องอมีส ต, ติรู้สึกตัวทําไมขาดสติเห็นไหมคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่าขาดสติคืออย่างนั้นแต่ผู้ที่บรรลุไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจอ ย, อย่างนี้เขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าถึงมันมันจะผิดมันสวดมนต์ผิดแต่ไม่ใช่เรา เป็นผู้สวดผิดมันเป็นแค่กิริยาการเป็นแค่สังขารที่มันแสดงความไม่เที่ยงเออว่าอะไรก็ไม่เที่ยงถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังอย่างนี้แล้วต้องไปเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนทิฏฐินะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องอ่ะอืมพอปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ยึดมั่นถือมั่นก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นเวลาฟังธรรมนะต้องฟังแบบเออเพื่อเลื่อนชั้นด้วยไม่ใช่ว่า ยึดถือของเก่ามาถ้ายึดถือของเก่าถ้ายังเป็นทุกข์อยู่แสดงว่าของเก่าที่ปฏิบัติมามันก็ไม่ถูกเออเพราะนั้นก็ต้องเปิดรับของใหม่เพื่อไปพิจารณ า, นาต่อไปด้วยพ่ อ, อครับมีคำถามอีกนิดนึ่งเอออย่างในมันเป็นความเชื่อสองสัยนะครับว่าว่าเราจะต้องใช้แบบว่าใช้ตัณหาละเอียดไปละคือละตัณหาอย่ายไปต้องมี เหมือนกับใช้ตัณหาเพื่อละตัณหาใช้มานะเพื่อละมานะใช้ทิฏฐิเพื่อละทิฏฐิอะไรอย่างนี้ครับกับอีกแนวหนึ่งก็คืออันนี้ไอ้แนวแรกนี่คืออาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปคือเราละของหยาบไปไปจับของละเอียดเช่นว่าเราละกิเลสแต่ว่าเราก็มาใยดีเหมือนกันว่าต้องมาปฏิบัติทำซึ่งมันก็มันก็คงเป็นตัณหาเหมือนที่หลวงพ่อว่าเพราะมันอยากดีแต่ว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างนี้ก่อนไหมครับหรือว่าเราจะตัดตรงแบบว่าปล่อยวางตัว ตัวความเป็นเราแล้วมันจะคือครูผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะจะเรียกว่าไงดีครับจะเรียกว่าทางสองสายเนี่ยคือสายหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบวางพวกหลุดไปเลยอย่างเงี้ยกับอันหนึ่งคือต้องค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปค่อยคอยแบบละของใหญ่ไปสู่ของละเอียดก่อนเงี้ยนะครับก็ก็ก็ก็ ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละคือต้องต้องมีตัณหาต้องมีกิเลสเพราะว่าคนเราที่เกิดมานี่เนาะมันมีพวกนี้แหละอยากจะปฏิบัติธรรมเห็นไหมก็คือตัณหาแต่ทีนี้ถ้าเราเราไม่มีตัณหามันก็กลายเป็นเป็นคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความอยากคือมันติดตัวมาแล้วไงมันติดตัวมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นแหละมาทําตามความอยากก่อนแล้วต่อมาเมื่อมีสติใช่ไหมสติก็จะไปเห็นนะไปเห็นความอยาก พอไปเห็นความอยากมันก็นละอ่าแล้วก็สูมติวเรื่องความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยความโกรธมันมีติดตัวมาแล้วเนี่ยแต่วิธีที่จะข้ามพ้นความโกรธได้ก็คือต้องให้มันโกรธก่อนอ่ก็แล้วก็เมื่อรู้แล้วก็คือเข้าใจถูกว่าความโกรธก็เกิดเองไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่มีนี่แหละมาฝึกมามาเพื่อปล่อยวางแต่ถ้ามันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องฝึกไม่ต้องปล่อยวางแต่เป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีครบอันแหละมีหมดอันแหละเนาะความโลภความโกรธความหลงมีหมด เพราะฉะนั้นเมื่อมีหมดก็เนี่ยเขาใช้วิธีการฝึกเพื่อให้เห็นสิ่งเนี้ยแล้วก็วางมันอเห็นสิ่งนี้แล้วก็วางมันไม่มีน้อยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นปุตุชนเนาะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยจะวางเลยมันวางอะไรอะ่ะในเมื่อมันไม่มีให้ให้เห็นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเห็นก่อนแล้วก็ว่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสังขาร เ, เกิดแล้วปรากฏแล้วแล้วก็วางมันเนาะต้องให้มันเกิดนั่นแหละ ความโลภเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมมากยิ่งอยากเท่าไหร่มันก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เสร็จก็มีประสบการณ์บอกว่าโอ้โนี่อยากบรรลุอยากบรรลุมันเป็นทุกข์ต่อมาก็รู้เท่าทันความอยากแล้วก็วางลงเนี่ยที่โยมพูดก็ถูกแล้วแหละทั้งสองทางนั่นแหละคือต้องต้องเอาตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวทําให้เกิดอยากปฏิบัติขึ้นมาก่อนครับสาธุครับขอบคุณครับสาธุค่ะ